พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่ามาเพื่อทำดีไม่ต้องมีบัตรเชิญวันนี้เป็นวันพระ เป็นวันพระใหญ่เดือนห้าดับเป็นวันอุโบสถของพระด้วยวันนี้พวกเราคณะทศธา ญ, ญาติโยมได้มารวมกันเป็นหมู่ใหญ่มาจากจารตุรเทศมาถึงวัดวาสนาแล้วหาโอกาสจะนิหาได้ยากควรจะประกอบคุณงามความดีเป็นพื้นฐานคือทานบริจาคทานเราก็ได้ทำบุญทำทานแล้ว ต่อนี้ไปหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราสมาทานศีล น, นะรักษาศีลห้าให้ทั่วถึงกันเพราะวันนี้เป็นวันธรรมมสวรนะในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารกันน่วันพระอย่างนี้เนะ่เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาให้พุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาสู่วัดวาศาสนาแล้วก็ มีการไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถวันนี้กพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธจเจ้าควรจะดําเนินเดินตามแนวแถวทำคําสอนของพุทธ ะ, ะต่อ น, นี้ไปทา ย, ยกเป็นผู้นําไหว้พระอโยมพวกเจ้ากรมก็ได้เจ้ากรมเป็นผู้นําเจ้ากรมบุญสืบประสิทธิ อดีตเป็นนายทหารอากาศเป็นเจ้ากรมนะลูกหลานนะ อ, อันดับแรกจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนประธานจุดทูบเทียนพวกเราลูกหลานประนมมือมายังพันเตติสรเนนสสรเนนสหปัญจสีลานิยาจามะ ต่อ น, นี้ไปตั้งใจสมาทานศีลวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันพระแรมส4สี่ค่ำเดือนห้าเป็นวันพระใหญ่เป็นเดือน เ, ออเดือนห้าดับเป็นวันรรมัทสวระของพวกเราเพราะนั้นวพวกเราได้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาจะหาโอกาสวันอย่างวันนี้ก็หาได้ยากเพราะเรามีภาระธุระ ทำงานอย่างอื่นแต่วันนี้ได้มาสู่วัดวาศาสนาเป็นวันรรมัรสวาณะด้วยจวบเหมาะพวกเราจรึงได้มาสมาทานศีลแต่ตามไม่จริงการสมาทานศีลหลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวพวกเราจะไม่ได้มาวัดสู่วัดวาศาสนาอย่างวันเกิดของเราหรือวันที่เรารักครบพ่พแม่ปูกวิญาตายายหรือเราวันมีอุปสรรคอยากจะให ให้พ่อแม่ของเรามีสุขภาพร่างกายจิตใจหรือหายจากโรคขาพยาธเราจะรักษาศีลเราสมาทานที่บ้านก็ได้เราไปห้องเข้าไปในห้องพระอย่างมาเนี่ยมาวันนี้กับมากราบาพระประธานเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในจิตใจเออวันนี้ข้าพเจ้าจะขอสมาทานศีลห้าตั้งแต่นาทีนี้แหละเป็นต้นไปจะให้ครบ24ชั่วโมงวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง และบุญกุศลที่เกิดจากการสมาทานศินของข้าพเจ้านี้ก็ขอให้เป็นพลังขอให้จุดที่เราต้องการปรารถนาให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยอ น, นิสงส์สินที่ข้าพเจ้าเรียรักษาสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่ว่าตัวเองกินเหล้าเมายาหัวฟัดหัวเวียงทําความชั่วแล้วไปขอพรจากพระ หลวงพ่อว่าทำจุดนี้เนะี่ยทำสัมรวงกายวาจาใจของตนเองนั่นนะ่ะให้ดีที่สุดนั่นหละพร อ, อันประเสริฐ จ, จะประสิทธิ์ประสานเข้าสู่จิตใจของพวกเราก่อนที่พวกเราจะรับพรเราต้อ ง, ต, งตั้งกายวาจาใจของเราให้ดีซะก่อนฮนะไม่ใช่ว่าเรากายวาจาใจของเราไม่รู้อยู่ที่ไหนมองตัวเองก็ไม่เจอ แล้วคุณงามความดีจะพบได้อย่างไรนะวันนี้พวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนาได้มองตนเองนะนะแล้วก็ได้สมาทานศีลหลวงพ่อจะเป็นผู้พา น, นำสมาทานนะเพื่อเป็นสริริเพื่อเป็นมงคลสําหรับพวกเราต่อเ น, นี้ไปนะรับศีลนาสนีนนะ ส, นนะสมาทานศีล น, นะนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีเลนะนิพพติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทาเยผู้ที่เคยสมาทานสีอุโบสถอุโบสถสีก็ทำสมาทานในใจเลยนะอันนี้เป็นสีภาพรวมเราให้สมาทานสีนห้าให้กับพวกเราลูกหลานที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาใหม่ผู้ที่เคยรักษาสีอุโบสถก็รักษาสีอุโบสถตามปกตินะนะ าตอนนี้ไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้คณะสัยา ญ, ญาณโยมได้ฟังพองานของพวกเราก็อย่างที่ได้ได้รับรู้ได้รู้ได้เห็นกันในกลางเต็นเต็มไปหมดนะและก็หลวงพ่อเองวันนี้ขอประกาศให้คณะสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายนะเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ทั้งหมดมีมีอยู่พระหกสิบเก้า สมเ น, นหนึ่งรวมแล้วเป็น79รูปทั้งพระทั้งเนนแต่วันนี้เป็นวันพระนะลูกหลานนะเป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยพระให้ไปบอกบอกกันใครอยู่องค์ไหนอยู่ใกล้กันให้บอกมาให้พร้อมกัน11เอนาฬิกาลงอุโบสถนะลูกหลานวันนี้เพราะว่าตามปกติหลวงพ่อจะนัดเที่ยงลงอุโบสถพระสงฆ์ในวัดของเรา แต่วันนี้หลวงพ่อนัดสบอนาฬิกาเพราะเหตุไรเพราะว่าจะมีการามีการพระราชทานเพลิงศพของพระนะวันนี้เนะี่ยที่วัดใกล้ๆบ้านของเราเนี่ยนะบ้านสว่างพวกเรานั่งรถมาคงจะเห็นธงปักในหน้าวัดนะั่นนี่คือท่านมรณภาพาพระครูสิริธรรมมาธรรมรักษีพระครูสิริ ธรรมะรังสีสินชัยสิริจันโทอายุของท่านก็ห้าสิบสามพรรษาสามสิบสามพรรษาห้าสิบสามนะท่านก็ได้มรณะภาพวันนี้หลวงพ่อจะได้เป็นองค์แสดงธรรมประมาณบ่ายสองโมงเพราะนั้นหลวงพ่ออุโบสถเสร็จแล้วหลวงพ่อก็คงจะได้ไปงานศพนักนัทายญาติโยมลูกหลานนี่แหละเพราะนั้นจึงวันนี้จึงให้พระลกอุโบสถ ผิดเวลาบ้างเพื่อจะทำเวลาในจุดนั้นแบ่งเวลากันแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราคณะสัตย า, าติโยมลูกหลานภายในวัดของเราจะปันจุถุงอะไรก็ให้ช่วยๆกันคิดช่วยๆกั น, กนอ่านนะทั้งฝ่ายพระด้วยทั้งฝ่ายท้งในครัวคณะสัตย า, ญญาติโยมด้วย ่จะมีของอะไรแจกชาวบ้านที่พวกเราเคยทํามานั่นแหะอย่าให้ขาดตกปกพรองช่วยกันคิดช่วยกันอ่านช่วยกันทําอสิ่งไหนที่เคยทํามาแล้วนะไหนที่มันขาดเหลือขาดตกบอกบอกกันเท่าทำเท่าที่เรามีนะเราจะไปทําเกินกว่าที่เราไม่ไม่มีไม่มีแล้วไปทำนะํำมันทุกข์ใจอทําที่มันมีมันมีอยู่ในมือ ทาด้วยความสบายใจดีกว่าทาด้วยความเต็มใจในการทำเพราะนั้นให้ช่วยๆกันและก็วันนี้เป็นวันที่25ห้วันวันที่26ก็เป็นวันเข้างานแล้วจะนีน่พี่น้องประชาชนก็จะคงจะหลั่งไหลามาพวกเราก็ลงช่วยๆกันดูที่พักพาอาศัยพักยังไงส่วนพระสงฆ์พักยังไ ง, ง, ง, ไงใครช่วยกันคิด กลุ่มพระสงฆ์ก็ดูแลพระสงฆ์กลุ่มดูแลพี่น้องประชาชนชาวบ้านก่อนนะั่นนะอย่าเมินเฉยถ้าผู้ใดเจ็บไข้ในป่วยในมาเนวัดของเราในงานของเราให้ช่วยกันดูอย่าเนิ่งดูได้ควรจะสง่งแต่กว่าจะมีหมอมาจากทางโรงพยาบาลศูนย์ทางศูนย์คอนแกนละกษีนคริน จะมีทางอุดรด้วยหรือเปล่าหลวงพ่อก็ยังคงจะมีอยู่มั่งอันนี้เขาเนี่ยเขาตั้งเต็นท์ไว้อยู่ก็ ค, คิดว่าพี่น้องประชาชนเข้ามาเจ็บไข้ได้ป่วยก็คงจะทางโรงพยาบาลก็คงจะช่วยๆกันดูเพราะว่าชุมชนส่วนมากที่เข้ามาก็คงจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างวันนี้ก็หกล้มกันหลวงพ่อก็เนี่ยเสกคาถาให้ยา ว่านไพรไปแล้วเนี่ยนี่แหละมันคนเราจะว่ายังไงมันคาดไม่ถึงมันเป็นไปได้แต่ทีนี้ยังไงก็ให้ระมัดระวังทุกคนนะั่นแ่ะการไปนสถานที่ใดระวยงระวังไว้ดีที่สุดนะนะนะเพราะเรา ไ, ไปต่างต่างถิน่นต่างแดนหลวงพ่อเนี่ยไปที่ใดไม่เหมือนอยู่บ้านตัวเองนะนะไม่มี ไม่มีความสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเองแต่ทียังไงเราอยู่แต่บ้านตัวเองก็ไม่ได้รับความรู้ความฉลาดไม่เปิดหูเปิดตาไม่เปิดใจก็ไม่ได้อีกเยลยเราก็ต้องไปแต่ไปมันก็ต้องเสี่ยงนะในการเดินทางในการเป็นอยู่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังตัวเองนั่นแหละดีที่สุดนะการไปกับเพื่อทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล เข้าสู่จิตใจของพวกเราถ้าเราไม่ไปที่ไหนเลยก็อยู่ที่บ้านของเราก็ยังไงความคับแคบก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราในชุมชนของเราในกลุ่มของเราเพราะนั้นต้องไปดูศึกษาแล้วก็ประกอบคุณงามความดีถ้าเราไปไปในการศึกษาเรียนรู้มันก็ได้ความรู้นะ และก็พร้อมกันที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นงานของเราก็คือวันที่27ที่เป็นวันเกิดของหลวงพ่อนะเป็นวันเกิดแล้วก็วันที่26เย็นพระสงฆ์ก็จะมารวมกันนาศลาหลังนี้ละและก็พร้อมกันพระสงฆ์ก็จะได้เจริญพระพุทธมนตรพร้อมกันก่อนที่จะเจริญพระพุทธมนตรหลวงพ่อก็จะได้กล่าว ปารบเรื่องงานว่างงานวันนี้เป็นงานอะไรพราหลวงพ่อเป็นเจ้าของของงานครหลวงพ่อจะต้องปารบงานและก็ขอบขอบุญขอบคุณพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกกลุ่มตั้งโรงทานต่างๆที่เลี้ยงดูพี่น้องประชาชนแทนหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็จะได้ขอบบุญขอบคุณกับกลุ่มศรัทธาญาติโยมที่ตั้งโรงทาน เลี้ยงญ า, าติธรรมทั้งหลายที่มาในงานของหลวงพอ่เอเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะเจริญพระพุทธมนต์มากพอสมควรเพราะนั้นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมหมู่ใดกลุ่มใดที่จะมาร่วมสวดมนต์กับฟังพระปริตะมงคลพร้อมกับพระสงฆ์ก็ได้นวคืนวันที่ยี่สิบหกนะและก็ทราบว่าวันที่ยี่สิบหกตอน ได้ตอนเย็นจะมีการทอดผ้าป่าสามมกีเพื่อหาทุนที่วัดของหลวงพ่อเป็นที่ทราบกันแต่หลวงพ่อเป็นเจ้าของของพื้นที่หลวงพ่อพูดมาพูดบ่อยพูดมากก็เหมือนกับหลวงพ่อแผ่ขออยู่ตลอดไปล่ำเวลาพรนหลวงพ่อถึงจะเจ็บอยู่ในจิตใจนิ่งอยู่ในจิตใจแต่ถึงยังไงก็พยายามปรับปรุงแก้ไขให้มันเป็นไปด้วยดี เพราะว่าปีนี้ปีที่ผ่านมาปีห้าเก้านะวันที่แปดที่เก้าจำไม่ลืมนะลูกหลานนะหลวงพ่อแปว่ามันเจ้าว่าเจ็บใจแล้วว่าทุกใจหรือว่าประทับใจสุดแท้แต่จะกล่าวถึงจะสูบแล็คือจำไม่ลืมคือวันที่แปดที่เก้าพฤศจิกาที่ผ่านปีที่ผ่านมานี่นะปีนี่กับปีหกศูนแล้วนะเดือนเมษาเนะี่ยแปว่าห้าสีห้ากเดือนให้หลัง น้ำท่วมวัดของหลวงพ่อเนี่ยเสียหายอย่างมากถ้าว่าเราพวกเราได้เห็นภาพเห็นรูปแล้วก็มันล้มกำแพงของหลวงพ่อกำแพงของหลวงตาเนี่ยล้มได้ในใ น, ในาทนะีแล้วก็กัดถนนกัดทำทำทางใหม่อีกทําร่องใหม่อีกเพราะนั้นจะต้องพอเสร็จแล้วก็ได้ถมดินหมดเป็นเป็นพันรถรถจีบ ล, ล้อนะ แล้วก็เนี่ยนะแปลว่าพระเนนของหลวงพ่อเนี่ยทั้งชดทายาตโยมเลยแบบรวมแบบพลังกันเลยแบบทำงานแบบโยธาหามลุ่งหามคำ่ำมาหลุมมาตุ่มมาตุ่มมาหลมฮะแต่ข่าใช้จ่ายมีไหมไม่มีของได้ฟรีนะปูนหินทรายเหล็กมันก็ต้องได้ใช้จ่ายแต่เงินมากพอสมควรแต่ คณะสัทธาญาณโยมที่เป็นศิษยานุศิษย์ก็อยากจะมาร่วมามาร่วมมีส่วนร่วมในการาสร้างกำแพงหรือว่าสิ่งที่ปลูกสร้างปลักหักพังภายในวัดแต่ก็ทางราชการเขาก็จะจะให้หลวงพ่อขอนะขอเงินจากรัฐบาลกรมโยธา แล้วกักรมการศาสนาหลวงพ่อถ้าขอคงจะยุ่งเหยิงวุ่นวายพอเห็นขอขอมาแล้วไม่เห็นมันจะได้ง่ายขอเป็นปีๆขอปีหนึ่งอีกสามี่ปีมึนจึงได้มาเพราะนั้นกว่าจะสร้างเสร็จงคงจะช้าหลวงพ่อก็เลยเอาทําเท่าที่จะทําได้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะนั้นจึงได้ให้พระเนนทําเท่าที่จะทําได้ก็ศรัทธาญาติโยมเขามาช่วยเป็นบางส่วนก็เสร็จ ไปเรียบร้อยเลยล่ะ แ, แต่แตอนนี้ศรัทธา ญ, ญาติโยมจะมาแทนแทนทุนที่เราได้ใช้ไปนั้นก็หลวงพ่อเองก็ขอบขอขอบขอก ข, ข, ขอบใจพุทธิยมาทอดผ้า ป, ป่าสามัคคีในวันวันพุ่งนี้วันที่ยี่สิบหกะแต่ว่าจะตุก ป, ปัจจัยที่มันเหลือมันเหลือหลวงพ่อคนเนียวเพ่งมองไปทาง เจดีขององค์หลวงตาพระองพ่อได้รับรับวันที่ทุนก็มองว่ะหญิงทั้งพระองค์ท่านมาวางศิลนระเลิกเนะี่ถ้าว่าพวกเราฟังธรรมเทศนาและฟังเทศของหลวงพ่อนะี่หลวงพ่อพูดชัดเจนว่าหลวงพ่อในกลุ่มของเราเนะี่ยศรัทธาญาติโยมที่รักเคารพในองค์หลวงพ่อเนะี่ยเชื่อในหลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อจะพากลุ่มพวกพวกเราเนะี่ยล่ะ รับเป็นเงินจำนวน50ล้านบาทเพื่อจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแต่เดี๋ยวนี้ได้ถวายไปแล้วนะสองล้านบาทยังเหลืออยู่48ล้านนะลูกลานนะแต่ถึงยังไงก็ตามที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ท้งนั้นพวกเราไม่ต้องหนักใจเราพึ่งพาเราพึ่งบุญบารมีของหลวงตาคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะ พอหลวงพ่อคิดดีแล้วจึงได้พูดได้กล่าวออกไปแต่ถึงยังไงก็าตามจะตุปจัจที่ได้มาถ้ามันเหลือเป็นไปได้หลวงพ่อก็คงจะผักเงือเข้าไปจุดนั้นจุดที่หลวงพ่อรับไว้แล้วนะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายไม่ต้องหนักใจว่าหลวงพ่อได้เงินเหลือไปแล้วหลวงพ่อจะทำยังไงหลงพอมีมีโครงการที่จะต้องได้ใช้เปิดปปปปเปาะเมือนกัน แากว่าพวกลูกหลานทั้งหลายได้ยินที่หลวงพ่อจะบรรยายให้ฟังว่าหลวงพ่อใช้ไปอะไรบ้างแต่รวดแล้วจะเป็นประโยชน์หลวงพ่อคิดดีสะก่อนยังค่อยนําไปใช้ถ้าหลวงพ่อจะบรรยายพูดให้ลูกหลานฟังเลวันนี้พระสงฆ์คงไม่ได้ทานอาหารวันนี้นะหลวงพ่อใช้จะถูกใจัยไปยังไงในสาธารณประโยชน์นะทั้งโรงเรียนด้วยทั้งโรงพยาบาลด้วยทั้งวัดว า, าศาสนาด้วยได้หลายด้วยเหมือนกัน เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะไต้มาร่วมมารวมกันที่จะทําบุญทอดภาคป่าสามัคีในวันพรุ่งนี้อันนั้จุดประสงค์ทหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่เรียนก็เหมือนกับไม่รู้จักเมืองพอได้มาแล้วก็เก็บอย่างเดียวไม่มีการเฉลือเผื่อแผ่แต่หลวงพ่อเฉลือเผื่อแผ่นะลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะ วัดวาศาสนาอยู่ได้พี่น้องประชาชนก็ต้องอยู่ได้ประเทศชาติอยู่ได้ประเทศชาติอยู่ได้วัดวาศาสนาก็ต้องอยู่ได้นะพึ่งพาอาศัยกันเพวัะ น, นั้นเียอย่างปีที่แล้วนะวันที่แปดที 9, ่เก้าพฤศจิกาเนะนี่ยน้ําท่วมวัดวัดหลวงพ่อกตุปตุเป๋พอสมควรเพราะไรเพราะน้ําท่วมแต่ถึงอย่างไงก็ยังมีปัจจัยเงินกระถิ่นนะ สัมองไว้อยู่หลวงพ่อก็อุ่นใจกับเงินปัจจัยกรถิ่นเนี่ยนะที่ทอดมันเมื่อเดือนตุลาเนี่ยพอได้เงินปัจจัยกรถินตุลาแล้วก็เดือนพฤศจิกากระน้ําท่วมอย่างแรงเอออยังไม่เคยมีที่ไหนมาอยู่ที่นี่หลายปีก็มีอยู่สองครั้งก่อนหน้านี้แต่ไม่แรงเหมือนปีนี้นะอปีนี้รูกศิวแรงผิดปกตินะแต่ถึงยังไงก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วล่ะลูกหลานนะ อ่นนี้การเล่าว้าเล่ากก่าให้ฟังเพราะมันเกี่ยวกับผ้าป่าสามัคคีวันพรุ่งนี้นะและก็พร้อมกันขอให้พวกเราทุกๆท่านที่มาในงานของหลวงพ่อเนี่ยมาด้วยความสบายใจหลวงพ่อไม่ได้เชยเชิญพูดทางนี้ทางนั้นไม่ได้ยิ่งจองหองพอพอ ง, พองตัวแล้ว่าขาดเป็นบุคคลที่ไม่มี ไม่ต้องบอกกล่าวใครไม่ใช่อย่างนั้นแต่หลวงพ่อบอาหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะเป็นภาคของพี่น้องประชาชนทุกคนถ้าว่าผู้ใดจะมาก็เชิญมาครูบาอาจารย์ขอนิมนต์มาพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มาพอหลวงพ่อไม่มีการเชเชิญและไ ม, ไม่มีการนิมนต์แต่ถึงยังไงขอให้มาด้วยความสบายใจมาด้วยความตั้งใจ ถ้าจัดทาญาทโยมก็เหมือนกันมาสู่วัดวาศาสนาของหลวงพ่อมาด้วยความหวังดีมาเพื่อเป็นการเครือขุนห น, นุนมาเพื่อหวังดีมาเพื่อประกอบคุณงามความดีมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่ามาแบบโกโลโกโซมาแล้วหากีดกระเป๋าคนนั้นคนนี้หาขาโมยสิ่งของหลวงพ่อไม่ต้องการอย่างมากทาลูกหลานเป็นอย่างนั้นนะ ไม่อย่ามาจะดีกว่าอย่ามาใกล้นะเพราะหลวงพ่อไม่ปราถนาปรารถนาคนดีไม่ใช่ไม่ปร่องการปรารถนาขี่มูลาขี่หมาแห้งนะต้องการเพชรนินจินดาศรัทธาญาติโยมผู้ไหวฝๆในการบุญการกุศลแล้วก็เข้ามาหลวงพ่ออ้าแขนรับทุกคนแต่ถึงยังไงหลวงพ่อถ้ามามากแล้วจะทํำยังไงอาหารการบริโภคอาหารการบริโภคกา ร, รช่วยๆกันคิดนั่นแหละ พอหลวงพ่อก็บินเบาทฉันเป็นแต่เช้าไปหลวงพ่อก็ไม่ได้ทํามาค้าขายใช่ไหมล่ะลูกหลานก็ทํามาค้าขายผู้ใดมาก็กลัวมันจะหิวก็เอาถืออาหารติดไม้ติดมือมาด้วยมาก็มาทานมาก็มามาเจอหลวงพ่อเออปีหนึ่งโอ้มาเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อปีนี้แก่เท่ากับปีที่แล้ววะฮปีต่อไปคงจะเป็นยังไงเนาะปีหน้ามาอีกโอปีนี้แก่กว่าปีที่แล้ววะ นี่แให้พวกลูกหลานเข้ามาลูกผงพ่อก็เห็นหน้าเห็นหน้าศรัทธาญาดโจมลูกหลานทุกคนก็อุ่นอกอุ่นใจนะถ้าหากว่าไม่เห็นใครไม่เห็นลูกเห็นหลานเข้ามาหลวงพ่อเออเออทาไมลูกหลานหายไปไหนนาหลวงพ่อก็จะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองหรือเปล่านาหรือเป็นยังไงนาลูกหลานยังไม่มาใกล้นะหลวงพ่อก็คงจะคิดในใจอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนเนอะ วันที่27วันพุ่งนี้นะได้ยินเสียงหลวงพ่อนะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็เข้ามาหลวงพ่อเนะี่ยเดทราบข่าวว่าโรงทานนะโรงทานเข้ามาแสดงจัดฐาน ญ, ญาติโยมผู้ใจบุญนะแสดงความจำนงโรงทานพระท่านเขียนเป็นตัวเลขให้หลวงพ่อดูเนะี่ยหนึ่งร้งโรงที่ที่วันนี้นะ แต่ว่าเอาวันนี้อาจจะมีเพิ่มมาอีกก็ได้นะเดี๋ยวนี้ปีเดี๋ยวนี้นะขณะนี้ที่มนเช้านี่นได้หนึ่ง้าสิบโรงทานนะก็มากพาสอสมควรจะปีที่แล้วนี่ทราบว่าสองร้อยกว่านะคณ า, าญาติโยมนะเพราะให้ไดดเพราะปีที่แล้วมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาเนี่ยนะหลวงพ่อเองยังคิดอยู่ว่า ถ้าว่าเป็นวันธรรมดาคงจะไม่มีศรัทธาญาติโยมมามากกระมังแต่ก็นี่โรงทานก็มากอยู่แต่ถ้าว่าบางท่านบางองค์ท่านข อ, อวันเกิดของท่านเนี่ยขยับไปหาวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะศรัทธาญาติโยมขอขอขอไปนะ เ, เพื่อเขาความสะดวกแต่หลวงพ่ อ, อวันไหนกับวันนั้นแหละจะไปขยับไปวันเสาร์วันอาทิตย์มันไปน่าจะเหมาะนะ ถ้าใครมาได้ก็มาเนอลูกหลานเนอถ้าใครมาไม่ได้ก็จะไงมันติดมาไม่ได้เออสาธุเนอะหลวงพ่ออินเนอผู้ข้าเคารพอยู่ได้ฟังเทศหลวงพ่ออินได้ไปพบค้าสมาคมกับหลวงพ่ออินผู้ข้าผู้ข่านยข้าพเจ้านี่นับถือเรื่มใสหลวงพ่ออินอยู่แต่ไปไม่ได้เนี่นแหละหลวงพ่อว่าถ้าผู้คิดเช่นนั้นเออเอาเธอเนั้นลูกหลานมาไม่ได้ก็ให้สมาทานศีลห้าเนอตั้งแต่วันที่ห วันที่26 27นะิบหี่สผู้ฆ่าจะมัดจะรักษาศีลห้า เ, าเพื่อเป็นมุทิตาสักการะในวันเกิดหลวงพ่ออินเนอร์หนะลวงพ่อได้ยินเพียงแค่นั้นเลยหลวงความคิดของลูกหลานเพียงแค่นั้นนะหลวงพ่อจะปลื้มใจอย่างมากเลยเพราะลูกหลานอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่มีอันไหนที่จะดียิ่งกว่าลูกหลานอยู่ในศีลในธรรมนะในใจของหลวงพ่อนะ หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างอื่นนะคณะสัตยาญาณโยมลูกหลานถึงมาไม่ได้ก็ให้ประกอบคุณงามความดีอยู่ในบ้านอยู่ในสํานักงานพอรักษาศีรษะเนี่ยเราไปทํางานที่ไหนก็ได้มันอยู่ในตัวของเราแต่ข้อสําคัญให้จริงจังจริงใจเน่ยเกิดตื่นนอนมาแล้วก็เข้าไปในห้องพราแล้วก็เออข้าพเจ้าจะรักษาศีรษะข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยคิดขโมยทรัพย์คิดในใจก็ข้าพเจ้าจะไม่คิด ข้าพเจ้าจะเคารพในสิทธิสามีภรรยาของคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่กล่าวมุสาข้าจะข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราของมื่นเมาทั้งหมดในเนี่ยถึงเราจะไม่เคยทําแต่เราก็ตั้งจิตในาิฏฐแน่วแน่ขึน้ น, น, นไปอีกเพื่อเพื่อให้มันเป็นสินที่ชัดเจนนะนี่แหละเพียงแค่นี้แหละหลวงพ่อกับปริมใจนะ ล, ลูกหลานนะ ล, ลูกหลานประกอบคุณงามความดีท่านได้มากๆ ทั่วประเทศทั่วโลกโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขเพราะลูกหลานมีศีลธรรมมีศีลห้าศีลห้าเป็นศีลคุ้มของโลกจริงๆนะลูกหลาน้องคิดดูให้ดีนะถ้าว่าคนที่มีศีลห้าอยู่ณสถานที่ใดชุมชนกลุม่มใดโลกไม่ยุกใดถ้ามีศีลห้าและมีแต่ความร่มเย็นผาสุขเพราะเราพวกเราไม่คิดฆ่ากันถ้าคิดฆ่ากันรูสิคนนี้ก็คิดจะบอม บอมปรมนูคนนั้นกิคิดจะบ่มปรมนูในพวกเราอยู่เออเป็นญาตแฝกญาค่าเนี่ยทําไงตาเหลือบตามองไม่รู้จะลูกระเบิดลูกไหนจะลงมามีความสุขไหมมีความทุกข์ใจอย่างมากเอเพราะนั้นถ้าเราคิดฆ่ากันะมันหาความสุขไม่ได้นะถ้าคิดสงเคราะห์กันเออประเทศใหญ่ช่วยสงเคราะห์ประเทศเล็กประเทศเล็ก็มีอะไรช่วยกันสงเคราะห์กันโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นถูกนี่แหละถ้ามีศีลห้า คือไม่คิดฆ่ากันไม่คิดขโมยกันเคารพในสิทธิรสามีภรรยากันไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงกันไม่ดื่มสุราให้ขาดสติลูกหลานคิดดูสิล้วนแล้วจะมีคุณูปการต่อโลกทั้งโลกต่อตัวของพวกเราทั้งนั้นแหละแต่ทางนี้ทางนั้นเราอยากจะให้โลกทั้งโลกเป็นคนดีมันก็ยากนะมันก็ยากทำไมเพราะคนเราอยากจะให้คนอื่นเป็นคนดีเอาถ้า เ, เมื่อคนอื่นตีไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าข้าพ เ, เจ้าเห็นคุณค่าในศีลธรรมของพระพุทธเจา้าข้าพเจ้านี่ยละคนหนึ่งจะรักษาศีลห้านะี่แหละให้นับหนึ่งจากตัวเรานะถ้าพวกเราก็นับหนึ่งพวกพวกเราได้ยินหลวงพ่อพูดทุกคนนะต่างคนก็นับหนึ่งจากตัวของเราเองคนนั้นก็นับหนึ่งคนนั้นก็นับหนึ่งน ห, นหนึ่ง 1, บวกหนึ่งเป็น 2, สองสองบวกสองเป็นสี่ไปเรืเอ่อยๆมันจะมากไปเรื่อย ถ้ามีแต่คิดว่าโอ้คนนั้นจะรักสิเป็นผู้ใหญ่ควรจะมีศีลห้าผู้เท่าผู้แกควรจะมีศีลห้าเนี่ยตัวเองเลยนะไม่มีศีลห้าเนี่ยจะทำยังไงล่ะจะลบจะร่มเย็นเป็นสุกได้ยังไงเพราะตัวเองไม่มีศีล น, นะนี่สิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับลูกหลานคณาศทศไทาญาติโยมทุกคนนะตอนน่อไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในนะที่นี้นะ